ก่อนที่จะรับสินทำความเข้าใจกับคณะทายาทโยมสินมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรพวกเราจะต้องใไตรรักษาจะต้องรับสินเท่าว่าสินเนี่ก็คือสำระกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินก่อนที่พวกเราจะฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าพวกเราจะถวายทานอย่างนี้ คนโบราณเขาว่าให้ชําระกายวาจาให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยเราคอยทำกิจกรรมส่วนอื่นต่อไปถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าก่อนที่พวกเราจะรับของที่มีคุณค่าเราก็ต้องชําระพานหรือว่าชําระภาชนะของเราเอากำมันยีสีแดงใส่ในพานเสก่อนถึงค่อยไปรับเพชรนินกินดาลักษณะอย่างนั้นอ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่พวกเราจะทำบุญทำทานใหญ่จะถวายทานอย่างเนี้ยพวกเราควรจะชำระกายวาจาของของพวกเราให้เรียบร้อยซะก่อนเรียว่าให้มีกฎมีเกณฑ์กับตนเองซะก่อนชำระกายก็คือรักษาศีลวาจากือให้เป็นผู้มีศีลศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลศีล น, นี่ก็คือ เป็นกฎระเบียบรักษากายกับวาจาแต่ส่วนใจนั่นคือธรรมนะธรรมจะรักษาใจแต่กายวาจานี่คือสิ่งเป็นผู้รักษาแต่ตามไม่จริงออกมาจากที่เดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าว่ากายกับวาจาไม่มีใจจะรักษาจะเป็นจะเป็นคนดีได้อย่างไรออกมาจากใจทั้งนั้นแหละแต่ท่านว่าขณะที่ใจคิดเนี่ยมันยังไม่มีโทษนะคิดอยากจะฆ่าคนอย่างนี้มันยังไม่มีโทษ คิดจะจะดาคนคิดจเจตขโมยของคนอย่างนี้มันยังไม่มีโทษแต่ อ, ออกมาทางกายแล้วจะมีโทษและ อ, ออกมาทางวาจาแล้วจะมีโทษขนะที่ใจคิดในอย่างไม่มีแต่ว่าผิดไหมผิด เ, เพราะทาการทำกรรมทำได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมนโนกรรม ค, คือการคิดทางใจคิดพยายาบัตรอาฆาตจองเวรเขา คิิปลองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองครองทรรมแต่คิดอย่างนี้มันก็ผิดแล้วกายก็คือฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างเนี้ยดื่มสุราวาจาก็พูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดไม่มียุ่นไม่ไม่อยู่ในร่องในรอยหลมปาก็พูดไปเลยไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียหายอย่างไรอันนี้ก็คือวาจา แต่ในศินก็คือรักษารักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเพราะนั้นคณะทธายญญาทโจมที่ขอเมื่อกี้นี่ขอศินนะแต่ศาลการขอสินก็เหมือนกันสาการขอศินนี่บางแห่งก็ว่าไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาาาัดทายะติสารเนนสหาบางแห่งก็ว่าม่ยังพันเตติสารเนนัหปัญจศีลานยาิยจามะอันนี้ก็คือ บางคนก็อาจจะสงสัยอีกเหมือนกันเอ๊ะทาไมขนาดขอศินขนาดขอศินก็ยังเป็นสองมาตรฐานอีกนะ <c oughs> พูดไปคนละอย่างกันแต่ขอศินอันเดียวกันทําไมพูดอย่างนั้นอไอัเนี่ยถ้าคณาจารย์โยมไม่ได้ศึกษาในในพระไตรปิฎกหรือในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คงคงจะมีความสงสัยอีกเหมือนกันยาาว่มะังนเตติสรณะข้าพเจ้า จะขอรักษาศินจะรับสินทั้งหมดพร้อมกันทั้งห้าข้อรับสินด้วยกันทั้ง5้าข้อพร้อมกันแต่วิสูงวิสูงรักนัดถายญาติข้าพเจ้าจะรักษาศินเป็นข้อข้อคือขอสมาทานเป็นข้อข้อถ้าว่าเราฆ่าสัตว์สินข้อที่1ก็ขาดไปเราไปขโมยของเขาสินข้อที่2ก็ขาดไปเราปอบพฤชตลาดประลวงสินข้อที่สก็ขาดไปเราโกหก สินข้อที่4ีก็ขาดไปเราดื่มสินข้อที่5ก็ขาดไปอันนี้ก็คือวิสูงวิสูงแต่ปัญจศีลในยาจามาเนี่ยแปลว่ารักษาสิงรวมกันทั้ง5ข้อเออถา้าขาดข้อใดข้อหนึ่งแปลว่าขาดไปทั้งหมดอันนี้คือปัญจศีลแต่ถ้าให้ลูกพ่อเออรักษาหรือลูกพ่อบอกกล่าวในะลูงพ่อเนี่ยจะให้ปัญจศีลาเนี่ยให้รักษาสินพร้อมกันไปเลย ถ้ารวยก็รวยไปเลยไม่ใช่ว่าทำกยุกกยิกกระองกระจยอนเพราะนั้นถ้าเรารักษาตั้งใจรักษาก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งห้าข้อศีลห้าข้อที่พวกเรารับทุกครั้งอันดับแรกพวกเรากล่าวว่านโมนโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังดุติติตพุทธังทำมังสังขังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชรณะเป็นที่พึ่งนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นไอเดียเป็นต้นความคิดเรื่องพระพุทธศาสนา วันนั้นก่อนที่เราจะนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็อ น, นอบน้อมบอรมวครูคือต้นตํำรับต้นตําราคือต้นความคิดสะกเพราะฉะนั้นเราจิงหวันนะโมตัสสะปะคะวะโตจากนั้นก็พุทธทางธรรมังคือเรานํามาประพฤติปฏิบัติแล้รตัวนี้ยแอคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมาก 84%00 มพันพระธรรมมะขันพูดเตีองทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา เรื่องการปฏิบัติบิดามดารดาการอยู่ด้วยกันชุมชนสังคมของโลกพระพุทธเจ้า ว, วางพระธรรมคาสอนไว้ทั้งหมดเหมือนกับพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาให้ดีทีวนแล้วทวนทีแล้วเหมือนกับห้างทรรพสินค้ามีสินค้ามากหลากหลายหลายแนวแต่สุดท้ายถ้าเราจะเอาสินค้าเรามีทุนขนาดไหนเราจะเข้าไป ซื้อสินค้าในในในห้างสปปรพพสินค้านั้นนี่ก็เหมือนกันพวกเราเป็นคราวัตญ า, ย, ายมเออข่านี่ยังทำอย่างพระไม่ได้ถือธูดงไม่ได้รักษาศีลสิน227ข้อไม่ได้พาวนาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ข้าไปเจ้ารักษาเพียงศีลห้าตลอดไปหรือรักษาศีลอุโบสถตลอดไปออตลอดชีวิต เรียกว่าข้าพเจ้ารักษาได้เป็นบางครั้งคราวเพราะกิจธุระการงานของข้าพเจ้าลัดตัวแต่ข้าพเจ้าบูชาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้ายังปฏิบัติไม่ได้แต่ข้าพเจ้ายังติดภาระเกิดอยู่แต่ต่อไปพ่ายภาคหน้าข้าพเจ้าจะรักษาให้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะข้าพเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือเราเทิดทูลบูชาในพระธรรมคําสอน ที่เราได้นํามาคิดนํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อโลกจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่พัดนําพระธรรมคําสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านได้บวชเข้ามาแล้วท่านได้เป็นมหาป ร, รีญญจากนั้นท่านท่านก็แตกฉานในปริยัติธรรม จากนั้นท่านออกมาปฏิบัติมาภาวนาจนท่านได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างที่พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ยินจากองค์ท่านแสดงให้ฟังนี่แหะคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่งของพวกเรา จากนั้นก็จะได้กล่าวเป็นสิมเป็นข้อๆปานาอย่าฆ่ากันนะถ้าฆ่าพวกเราฆ่ากันเขาฆ่าเราเราฆ่าเขาเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราคนแล้วกันถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาฆ่าลูกของเขาล่ะถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราคิดได้อย่างนั้น เราต้องเคารพสิทธิ์เขาเพราะเราเมื่อเขามักทาให้เราเราก็ทุกข์ใจเมื่อเราไปทําให้แก่เขาไปเช่นเดียวกันนี่แหละคือสินสินไม่ใช่อยู่ อ, ยอื่นไกลศินคือคือการอยู่ด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันละกันข้อที่สองอธินนาทานอย่าขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราละขโมยพ่อขโมยแม่ของเราลูกหลานของเราไปเรียกค่าถ่ยายอังไงเราเสียใจไหมถ้าเราไปขโมยของเขาละ่ะ เขาเสียใจไหมก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าอย่าขโมยคําว่าขโมยขโมยไม่ใช่ของเล็กน้อยนะไม่ใช่ขโมยได้ขโมยเข็มขโอยข้าวไปอย่างนั้นไม่ใช่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการขโม ย, ยอย่าขโมยกันนี่แหละคือสี่ข้อที่สองข้อที่สามกามีสุมิจฉาจาราวรามณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาเขารักษาคือตระกูลของเขาถ้าเรา ไปขอตามประเพณีบ้านเมืองตามโลกสมมติก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปทาไม่ถูกต้องเวลาลาบละ ล, ล, ล่วงสามีภรรยาลูกหลานของคนไครอื่นเขาเขาก็เสียใจเขามาทำให้แกเราไปเช่นเดียวกันเสียใจเหมือนกันเพราะนั้นจิกเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้ามนุษย์โลกไม่มีศีล เ, เหล่านี้แล้ว ม, มนุษย์โลกจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ มันจะเกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทุกหัวละแห่งนี่อันนี้คือสินข้อที่สมุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุลหลอกลวงคนอื่นเขานะถ้าเราไปต้มตุลหลอกลวงเขา เ, เสียหายนะว่าของของของไม่ดีว่าเป็นของดีแต่กลัวว่าเป็นทองคำหรือไปหลอกเขาไปต้มตุลหลอกลวงเขาการต้มตุลหลอกลวงทุกวันนี้มีมากยุคไฮเทคของพวกเราเนี่ย ขนาดเงินอยู่ในธนาคารเพราะยังปไปฉกไปเบียดไปบังเอามาได้เนี่แหละอันนี้ก็คือการโกหกไม่เป็นผลดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีไอ้พวกเราสังเกตดูนะถ้าคนใครก็ตามาถ้าชอบโกหกตอแหลตอหน้าตลบซ้ายตลบขวานะคนนั้นหาวความไวเนื้อเชื่อใจไม่ได้ จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่5สุราเมระยะมัชชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วมันเมาพอเมาขึ้นมาแล้วก็ขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วคนน่ากลัวนะสิมันเป็นบ้าขึ้นมาถ้าเขามีสตราวุธอยู่ในมือล่ะยิ่งน่ากลัวเข้าใกล้ไม่ได้เพว้ยไรเพราะว่าเขาขาดสติ ก็รู้อยู่แล้วถ้าดื่มสุรารเข้าไปต้องขาดสติเราไปดื่มทําไมเนี่ยเราไปดื่มทําไมเราไปเสพทําไมคัตชายยาฝิ่นเฮโรอี น, นยาบ้วงยาบ้าเนี่ยพอดื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วมันเป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นเราควรจะงดเว้นถ้าคนมึนเมาขึ้นมาแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพระพุทธเจ้าท่านว่ากันนะไม่รู้จักดีไม่รู้จกัจกชั่วคนดื่มสุรารเข้าไปแล้วขาดสติแล้ว ข้อที่หนึ่งฆ่าใครก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้อย่างพวกเราไ ด, ได้เห็นตามสื่อต่างๆขโมยใครก็ได้เพราะคนเมาสุราแรรับละลวงสามีลูกภรรยาลูกหลางใครก็ได้เพราะคนเมาสุราโกหกใครก็ได้พวกคนเมาสุราเพราะฉะนั้นศินของพระพุทธเจ้าพวกเราหลับตาคิดดูให้ดีซิว่ามีคุณค่าไหมมีประโยชน์ไหมถ้าพวกเราต้องการความสงบพร่อมเย็นเต็มศพ พวกเราควรจะเทิดทูนบูชาศิลปของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัตไว้แล้วนั้นถ้าว่ายุคใดสมัยใดบูชาศิลป์ของพระพุทธเจ้ายุคนั้นสมัยนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุดแต่ปุกยุคใดสมัยใดเห็นว่าศิลป์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของล้าสมัยเป็นของศีลธรรมเป็นของล้าสมัยยุคนั้นสมัยนั้นกรียุคจะเกิดขึ้นมาได้ไง่ายๆข่าฟันลันแทงป้นขโมย ระดมอะไรตำรวจจะจับเข้าคุกไม่หวัดไม่ไหวดางนั้นผมะะนั้นขอให้พวกเราคณะชาติญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้ยินแนวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้ชี้แจงให้แก่คณะชาติญาติโยมได้ฟังนําไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วจากนั้นก่อนมาพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้อยู่ในศินห้าของพระพุทธเจ้าโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นจุกต่อจ น, นี้ไป หลวงพ่อได้ชี้แจงสินของพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วต่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานิสมาทานสินนะโมตัสสะปะก ว, ะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะอิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย พลมมาเจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอัญทิวังอายาจธาสันสติทานสตาปราชากชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปาชังนะโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุุปัฏฐานังพุทธานัจสังฆะโหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมมังขรมตุตตมัน ต, ติวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาหลายรุ่น ตั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายฆราวาสที่รับเคารพในองค์หลวงตาถือองค์หลวงตาเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคาว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยลึกซึ้งเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เ ป, เป็นทั้งครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียกขานชื่อองค์หลวงตาด้วยความสนิทใจเพราะว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์จริงๆ ในหลักของพระพุทธศาสนาพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนการที่มีอุปการะก่อ น, นในหลักการเรียงลำดับให้เรียงลำดับลงมาก็มีหลายระดับเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือบุพการีเหมือนกันผู้มีอุปการะก่อนพระพุทธเจ้า เป็นผู้ตัดสู้พระธรรมเป็นผู้รู้จริงด้วยพระองค์เองอ่จากนั้นพระองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนมาบอกกล่าวมาแนะนำพวกเราให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักสิ่งควรไม่ไม่ควรอันนั้นนรกอันนี้สวรรค์อันนี้ทางไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะพุทธเจ้าท่านสอนเพราะนั้นท่านพวกเราจึงนับถือว่าบุพการี พระพุทธเจ้าเป็นปุพหะการีถ้าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นปุพหการีเป็นผู้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเรานํามาวิเคราะห์ทุกบททุกบาทมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับเราเพอแล้วเราได้นํามาประพฤติปฏิบัติก็เกิดผลประโยชน์มีความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจอันนี้คือปุพหกาลีพระธรรมพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านนําพระธรรม คำสั่งสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราอันนี้ก็คือเป็นบุพการีอันหนึ่งเหมือนกันจากท่านกับพ่อแม่ของพวกเราพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยเป็นบุพการีให้ร่างกายของพวกเราตั้งแต่ศีรษะจนจดฝ่าเท้าในร่างกายของพวกเราใครบ้างปฏิเสธว่าไม่ได้มาจากพ่อแม่เนี่ละพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิด พวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ของเราเป็นผู้เป็นบุพ ก, การีบุคคลผู้มีอุปการะกอนแล้วพวกเราจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อบิดามารดาพ่อแม่ของเราอย่างไรจึงจะเหมาะสมนี่แหละอันนี้กัพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามา เราต้องเลี้ยงท่านตอบและก็ททำกิจธุระของของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่แหละคือบทที่ดีที่แสดงความกตัญญูต่อบิดามันดาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังไม่ให้ปล่อยปหนลาเลยอีกเพราะเหตุใดเพราะร่างกายของเราเนี่ ทุของพ่อแม่ให้เรายังมีอยู่เราควรเมื่อไปทําบุญนั่นานที่ใดเป็นบุญเป็นกุศลเราก็น้อมจิดอุทิศลำลึกถึงเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขออุทิศบูชาพระคุณของคุณพ่อคุณแม่พอดคุณพ่อแม่ของเราตกทุกข์ได้ยากอย่างไรขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าด้วยเทิดอันนี้อันนี้คือเราลาลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อันนี้เรา เราแสดงความกระตันอยู่กตเวทิตาต่อบิดามารดาของพวกเราจากนั้นก็เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นผู้ปกครองแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยจนมาถึงยุคสมัยนี้ถ้าหากว่าเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินไม่ปกครองไม่รักษาปกป้องประเทศชาติมาพวกเราจะมีแผ่นดินอยู่ได้พ้สุขอย่างนี้หรืออันนี้ก็คือพวกเราต้องระลึกถึงประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นมาอย่างไรอันนี้พวกเราให้สํานึกตั้งแต่นุ่นตั้งแต่พ่อขุนรามตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตกุศรีอยุทธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ปกครองประเทศชาติมานมนานและท่านมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายอย่างรัชกาลปัจจุบันโค้งกลางพระราชดำริเท่าไหร่ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นบุพกาลีส่วนหนึ่งอีกเหมือนกัน เราไม่ควรจะมองข้ามเพราะหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านพระพุทธศาสนาหลวงพ่อบอกได้เลยว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์ทาไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราจะพูดแสดงธรรมแต่ละครั้งเราต้องอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้นะจากนั้นก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้พระสงฆ์สาวกพระโมคขลาสาลีบุตรกัสปะอานน์ พระภาษาวกในครั้งนู้นท่านทำอย่างนี้นะอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นท่านทําอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นตนใครว่าพระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะประวัติศาสตร์นี่แหละเมืองไทยของเราก็ควรจะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาถ้าพวกเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราจะลืมเราจะลืมตัว เ, เรามาจากไหนจากนั้นมากับมาถึงยุคนี้สมัยนี้ ใครก็ว่าใครเป็นใหญ่ชนกันดะไปหมดเอเพราะเหตุใรเพราะไม่ได้เลือกถึงประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้จะต้องท่านรักษาออประเทศชาติมาเท่าจ้องนำเลือกถึงอันนี้ระบุภาการีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเราไม่ควรจะมองข้ามทุกๆคนคนในชาติไม่ควรจะมองข้ามเรื่องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้มีพระคุณปกครองประเทศชาติมาตั้งลมนานจากนั้นก็ พ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ของพวกเราเนี่ย อ, อุปชาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือบุพภกากรผู้ให้ธรรมะถ้าว่าท่านไม่สอนธรรมะให้แก่เราเราจะรู้ธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุใดพ่อแม่ของเราเให้แต่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าแต่ครูบาอาจารย์ให้ธรรมะแก่พวกเรา อันนั้นดีนะอันนั้นชั่วนะอันนั้นบาปนะบุญนะคุณนะโทษนะเอออันนั้นทานนะศีล น, นะภาวนานะปฏิบัติตนให้ดีนะคิดอย่างนี้นะใช้ปัญญาอย่างนี้นะนจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้องหลวงตาของพวกเราเนี่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอุปชาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเออ ขอให้พวกเราสำนึกนึกคิดดูว่าในพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของพวกเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุพการีผู้ให้ธรรมะทางด้านจิตใจถ้าจะเปรียบเทียบทั้งสองอย่างคือพ่อแม่ของเราที่ที่ให้กำเนิดร่างกายของเราก็เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งแต่ว่าผู้ให้ธรรมะอย่างองค์หลวงตาเนี่ยให้แสงสว่างทางด้านจิตใจ สามารถที่จะตัดภพตัดชาติไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานอันนี้นะ่ยคือเลิศประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านแนะนําจนถึงมรรคผลนิพพานเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่มาในคราวนี้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีตาโตองค์หลวงตาเพราะท่านได้ทําบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะกร่อนท่านสงเคราะห์ทางด้านวัตถุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น ว่าวัตถุมีเท่าไหร่สงเคราะห์ อ, อนุอรรเคราะห์โรงพยาบาโรงเรียนโรงพยาบาลหมาพิการที่ไหนที่ไหนองค์รงตาไปช่วยเหลือทั้งหมดที่ได้จิตุปัจจัยมาท่านไม่ได้หวงได้เห็นเอาไว้ท่านสงเคราะห์ อ, อนุอเคราะห์คนในชาติพี่น้องประชาชนจากนั้นก็ท่านยังมีโครงการโครงการช่วยชาติโครงการเอาทองคําเข้าคลังหลวงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วก็เป็น นาทีสุดท้ายของท่านท่านยังมีพิัยกรรมอีกต่างหากบอกว่าเมื่อเรามรณะภาพไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์พี่น้องประชาชนมาทําบุญในงานศพของเรามาในงานศพของเราให้ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดเ อ, อมีที่ไหนมีใครพวกเราเกิดมาหลวงพ่อเกิดมาอายุถึงหกสิบหกปีขนาดนี้หลวงพ่อไม่เคยเห็นองค์ไหนท่านผู้ใดจะทําพินธีกรรมอย่างองค์หลวงตา ท่านบอกว่ากระดูกของท่านศีระจรีระของท่านเอาฟืนเผาอย่าเอาเงินมาใช้นะเงินให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท่านรักพวกเราหวงแหนพวกเราเหมือนกับลูกกับหลานอยู่ในใจในใจของท่านนี่แหละอันนี้แหละคือความหวงแหนและท่านได้อะไรในเมื่อท่านให้ไปแล้วท่านได้อะไรท่านไม่ได้เอาขอเอาอะไรจากพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่พวก มิแต่ท่านให้ให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมาคราวนี้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ข้าราชกาศิษยานุศิษย์ทุกหมู่ทุกเหล่าขอให้พวกเราแสดงความกตัญญูงานชิ้นใดก็าตามสิ่งใดก็าตามที่เป็นงานองค์หลวงตาแล้วให้พวกเราเสียสละทําได้ทุกอย่างอย่าไปถือว่างานนั้นหนัก งานนี้เบางานนั้นมีเกียรติงานนี้ไม่มีเกียรติขอฝากไว้กับพระสงฆ์ที่มาร่วม ง, งานทุกทุกท่านนะพะน้องพานุ่งพานุ่งพานหล า, า, านทั้งหลายให้แสดงออกซึ่งน้ําใจด้วยความเคารพรักในองค์หลวงตาเสียสละเพื่อหลวงตาพวกเราจะเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจไปนานเท่านานแต่ถ้าว่าพวกเรามาทําเป็นทศวรรษทำไม่มีศรัทธาอั น, นั้นบุญกุศลจะเข้าไม่ไม่เข้าสู่จิตใจของพวกเรานะ อย่างหลวงพ่อเห็นมีพระเถระเหมอนพระเถระนะอายตุตั้ง30กว่าพรรษาเนี่ยพูดออกชื่อเลยก็ได้ท่านอาจารย์ทวีปอาจารย์ลายท่านเดินไปถุงถือถุงพลาสติกจากนั้นท่านก็เทรวมถุงขยะเข้าหากันเทตรงนั้นรวมถุงนี่จากนั้นก็มัดพอมันเต็มล้วก็มัดเพราะว่าท่านทำงานหนักไม่ได้ท่านไม่ได้ช่วยอย่างอื่นท่านก็ช่วยงาน แต่ไปถามเลยสิพรรษาของท่านทั้งสากว่าพรรษาแล้วนี่แหะท่านท่านทำพวกเราไม่รู้ว่าพระท่านธรำอย่างไงท่านเสียสละเพื่อพ่อของท่านท่านเสียสละเพื่อครูบาอาจารย์ของท่านท่านนับถือองค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทําได้ทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านอย่างหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อองค์หลวงตา อยากจะให้งานนี้สำเร็จร่วมไปด้วยดีขอเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่เขามาร่วม ง, งานที่ได้มาหรือไม่ได้มาก็ตามผู้ใดมาในวันนั้นถือจะทุกอ ย, ากากอย่างลําบากยังไงก็ให้ระลึกถึงพระคุณระ ล, ลึกถึงบุญคุณขององหลวงตานีความสำหรับสบายเอาบูชาพระคุณหลวงตาทั้งหมดหลวงตาเนี่ยท่านไปอยู่ป่าดงพงไผ่เที่ยวตุ่งในปา่ากดอาหาร อ, ด, อดมืออี่มมืออย่างประวัติของท่านท่านก็ยังทุกมาแล้วถึงยังไงพวกเรามาก็คงจะไม่ทกถึงขนาดนั้นไม่ทกเหมือนองค์หลวงตาเดินทุดงในป่าในท่านที่เที่ยวทุดงเพราะนั้นพวกเราความสุขที่มีอยู่ก่อนขอให้บูชาพระคุณพระคุณองค์หลวงตาเสียสละเพื่อลงหลวงตาเนะ้อขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคู่ทุกคนทาอะไรอย่าไปทําดยอารมณ์โมโหโกธา ให้ใจเย็นๆเอาไว้สิ่งไหนที่เกิดประโยชน์กับพัดวาศาสนากับองค์หลวงตาแล้วให้ช่วยกันคิดช่วยกันทําอันไหนที่มันขาดเหลือขาดตกบกพร่องก็ให้ช่วยกันน้ำเอาหงอาหารสิ่งไหนก็ตามเนีที่งานของหลวงตาจะจะทํำยังไงจึงจะสมบูรณ์แบบเพื่อบูชาเพื่อแสดงความกตัญญูต่อองค์หลวงตาให้พวกเราแสดงออกในคราวนี้อย่าได้ขอร้องกัน จะได้ไปงอนไปงอไปงอนไปงอไปงอนกันเพราะงานนี้ไม่ใช่งงงอนใครมีฝีมืออย่างไรที่จะแสดงออกซึ่งคุณงามความดีแล้วขอให้แสดงออกมาเพื่อบูชาพระคุณโอ่งหลวงตาถ้าพวกเราทำไปแล้วพวกเราได้ออกแสดงไปแล้วพวกเราจะภาคภูมิใจถึงจะกลับไปถึงบ้านพวกเรานึกขึ้นมาเวลาใดเราก็สบายใจภาคภูมิใจ ว่าได้ทํากับองคหลวงต า, อ ย, างอย่างเต็มความสามารถแล้วได้แสดงความปัญนยูตองเวทีตาตัวองค์หลวงตาเต็มความสามารถของเราที่เราจะทําได้เพราะพวกเราบางท่านบางกลุ่มก็ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์หลวงตาทางด้านวัตถุอย่างช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยเป็นลายบุคคลหลวงตาช่วยทั้งหมดบางที่ก็พูดบางไม่พูดบ้างหลวงตาท่านท่านใหเ้เหมือนกับ ไก่ตัวไหนมันหิวท่านก็หวานให้คนไหนที่มีความทุกข์ยากลําบากเหยียบไข้ได้ป่วยท่านก็ให้ท่านไม่ได้บอกท่านให้แล้วท่านก็เฉยอีกท่านก็ไม่ได้บอกเอออย่าไปบอกเขานะเพราะคนทุกคนเรามีศักดิ์ศรีทุกคนมีศักดิ์ศีเวลาให้ไปแล้วอย่าไปบอกอย่าไปพูดไปกล่าวไม่ถูกต้องนะให้ไปแล้วก็แล้วไปนี่แหละคือน้ําใจของหลวงตาเพราะฉะนั้นท่านหวานไปเรื่อยให้แก่คู่คนลูกหลานที่ อยู่ไกลที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาขอท่านท่านก็ให้ไปแต่ให้ไปแล้วท่านไม่พูดและท่านไม่บอกไม่กล่าวเพราะนั้นทุกอย่างผู้ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากองค์หลวงตาคราวนี้เป็นคราวหลวงตาจะทิ้งถาดทิ้งขันแล้วหลวงตาเป็นจารีระของหลวงตาก็จะได้พระราชทานเพลิงวันที่5เวลา18นาฬิกา เอออันนี้คือคณะสงฆ์ได้ตกลงกันวันนี้เวลา18บแนาฬิกาวันที่5เอ่อจะไม่มีเผาหลอกจริงเลยเพราะนกันเถน่ยเวลา18บแนาฬิกาวันที่5เอ่อขอ น, นั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่ไม่ได้มาเอ่ยยกมือไหว้อยู่ในบ้านและลึกถึงองค์ลงตากับภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเออจะได้บุญกุศลอย่างมากเนี่ยอาจจะมากกว่าผู้ที่มาแล้วไม่มีศรัทธา มาแล้วทามาเกเลเกกะล่าลานในวัดยังไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ผู้อยู่บ้านจะได้บุญกุศลมากกว่าเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องผู้มาใกล้ก็มาด้วยศรัทธาผู้อยู่ไกลก็อยู่ด้วยศรัทธาแล้วกบาบคารวะองค์ลงตาแล้วก็พร้อมกันลงตาท่านสงเคาะอนุเคราะห์ทางด้านวัตถุและด้านธรรมมากนะเจริญท่านสอนเป็นธรรมะออกมา ทำรรมหภาคปฏิบัติตั้งแต่ทานศีลภาวนาความพร้อมเพียงสามัคคีการอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวอย่างนี้หลวงตาท่านก็สอนออสอนการเป็นอยู่และเราได้นํำทำคําสอนขององค์หลวงตานํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราปรปับปรุงสํานักงานของเราปรปับปรุงครอบครัวของเราปรปับปรุงความอยู่เย็นเป็นสุขของพวกเราในการอยู่ด้วยกัน เราก็ได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะได้รับธรรมคาสอนจากองค์หลวงตามหาบัวท่านมีพระคุณอย่างยิ่งอันนี้พวกเราก็แสดงความกตัญญูกตวเวทิตาในองค์หลวงตาเพราะได้รับธรรมมจากองค์ท่านนี่ละอันนี้คือพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูเอีกเหมือนกัน และอีกอย่างหนึ่งหลวงตาท่านก็ บ, บอกประกาศให้พวกเราได้รับทราบกันทั่วหน้าในคณะสิทธิญนุสิทธิทั้งหลายหลวงตาท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติจุดสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดในแผ่นดินนี้อีกแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราเดี๋ยวนี้เราเป็นคนว่างงานในใจของเราว่างทั้งหมดไม่มีอะไรเราเป็นคนว่าง นิพพานังประมังศุญย์อย่างนิพพานเป็นศูนย์นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ในใจของในองค์องค์ท่านเพราะฉะนั้นนี่ว่าในวันที่หจะเราจะได้ถวายพระราชทานเพลิงศรีระขององค์หลวงตาหลวงตาท่านก็จะไม่มาเกิดอีกเป็นชาติจุดท้ายเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายได้มาส่งศรีระขององค์หลวงตาแล้วก็ส่ง ถวายเคารพสักการะในความบริสุทธิ์ขององค์หลวงตาที่หลวงตาเข้าสู่มหาปรินิพานนันะนะบุญกุศลที่พวกเราได้ทำํำในคราวนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะนักศร้าญาติโยมโลูกหลานนะในธรรมกับพระอรหันต์นะบุญกุศลที่ทําในคราวนี้หลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับเราหว่านพืชในลงพื้นนาที่ดีพื้นนาที่ดีไม่ท่วมไม่แ้งดินดีอีกต่างหาก พอเราหวานลงไปเม็ดใดเม็ดข้าวนั่นก็จะขยายผลออ ก, อ, กออกออกรวงออกผลสมบูรณ์บริบูรณ์ให้แก่พวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้หวานพืชกับองค์หลวงตานะไม่ผิดหวังวกว่านั้นสิ่งที่ชั่วก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราหวานความชั่วลงไปมาอยู่ที่นี่มีแต่ขโม ย, โ, ยโจรมีติตฉจ้องจะทําความชั่วช้าเสียหายบาปอกุศลจุดนี้ก็ไม่ใช่ของเบาอีกเหมือนกันนะ หนักอีกเหมือนกันเพราะนั้นผูกหลานอย่าไปคิดทำในสิ่งที่มันเป็นอัปมงคนสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะเป็นบาปอกุศลจิตติดจิตใจเป็นนานเท่านานเพราะนั้นขอฝากไว้กับทั้งสองอย่างให้สังสมคุณงามความดีแล้วก็ความชั่วอย่าท อ, าอย่าทำ อ, าอย่างทําคำสอนของพระพุทธญาติว่าอากตังทุ ก, กตังเสยโยปัจชา ต, ตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านให้โทษ เ, เดือดร้อนเมื่อภายหลังทํากรรมชั่วไปแล้วเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อ, อย่างพวกเรามาทํากรรมชั่วถ้าตำรวจจับได้นะพวกเราก็ไปนอนอในกองขังจากนั้นก็จะเข้าคุกเข้ า, ข า, ขาตารางเพราะเหตุหอเพราะเราทํากรรมชั่วถ้าเราทํากรรมดีล่ะบุญกุศลก็เศร้าสู่จิตเศร้าจูใจเราน้อมนึกเมื่อไรใจของเราก็สบาย อยู่ที่ไหนก็สบายทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุไรเพราะเราได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนี่มองไม่เห็นตัวนะคณะทาญาิโยมชัด บ, บุญกุศลที่เราทำไปนะ่มันไม่เห็นตัวเห็นตนหรอกแต่มันเป็นพลังเออเป็นพลังทำเข้าสู่ทางจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราทำสิ่งไหนที่ว่ามันขาดหรือว่าไม่สบายใจ เรียกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราน้อมนึกระลึกถึงบุญคุณเออผู้ฆ่าข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีได้ทําบุญกระองค์หลวงตาขอบุญกุศลนั้นคราวนี้ข้าพเจ้าคับขันแล้วขอให้มาช่วยข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าทําด้วยเจตนาดีแต่มันผิดพลาดอย่างเนี้ยบุญกุศลทั้งหลายจะพรหนักให้เป็นเบาไปได้เพราะเหตุไรมันเป็นพลังเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา วันนั้นบุญกุศลที่พวกเราควรสั่งสมอย่างยิ่งท่านจึงตรัสว่าบุญญานิปัลโลกัตสมิงปฏิฐาโหรติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาแต่หลวงพ่อเองอดคิดพูดไม่ได้เพราะยุคสมัยนี้โดยมากคนว่าตายแล้วสูญแต่าตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอย่างองค์หลวงตาของเราหลวงปู่มั่นของเราครูบาอาจารย์พักกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านแบกกรดถลายบาทเข้าไปภาวนาในป่าดงโพงไพฟไปอยู่ในป่าดงโพงไฟอยู่ในถ้ำอยู่ในเงื่อมผาหรืออยู่ในป่าดงรกชัดมีดงช่างดงเสือท่านไปภาวนาทําไมท่านอย่ไปภาวนาอย่างนั้นเพราะเหตุว่าท่านไปภาวนาอย่างนั้นเพราะความกลัว เมื่อความกลัวเข้าไปแล้วจิตใจมันไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอกจะให้บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะพุทโธอยู่ทั้งคืนเพราะอะไรพวกมันกลัวกลัวเสือกลัวผีเอกลัวอะไรสัิปีพัฏฐมันกลัวเหมือนกับเราเคยกลัวอย่างนั้นแหะแต่พวกเรากลัวไม่มีหลักยึดนะแต่กรรมฐานเนี่ยท่านกลัวท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในจิตใจจิตใจไม่ส่งออกนอกจิตใจของข้างรวมก็สู่ความสงบะพอสงบลงไปแล้วเนี่ยท่านจะรู้ได้ว่าเออ กายกับใจนี่อาศัยกันรูปประธรรมกับ น, นามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายขาสองแขนสองคือร่างกายของเราเนี่คือรูปประธรรมส่วนนามธรรมนั้นคือจิตใจคือตัวรู้ๆอย่างนี้นคือนามธรรมแต่มองไม่เห็นตัวนี้เป็นพลังมากในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญตัวนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ท่านเกี่ยวกับมโนปุพังคมาธรมมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านให้ความสําคัญจุดนี้ตัวนี้แหละจะพาไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพราะพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาวันนั้นวันเดือน6กเพนท่านได้ยาณทัตนาเดปุพเพในวาสานุสติญาณร ะ, ะลึกชาติผลหลังได้แล้ระลึกชาติผลหลังได้ก็คืออะไรก็คือระลึกชาติ เมื่อชาวิทาวที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเป็นยังไงอาทิตย์ก่อนเป็นยังไงเดือนก่อนเป็นยังไงปีก่อนเป็นยังไงชาติก่อนเป็นยังไงนี่แหละท่านรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองเพราะจิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนี่แหละเจ่าปุเพเนวาสานุจติยานหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ไม่ท่า น, อนบอกว่าตายแล้วสูนนะตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นพวกเราอยากอยารู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ย ท่านให้ภาวน า, าสิ่งอื่นเราจะพิสูจน์หลับหูหลับตาเอานักฟิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ยังไงก็จับไม่ได้ทั้งั้นนอกจากสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูตรนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะหลักพิสูจน์พุทของพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีอยู่แล้ว คนนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าไม่อยากจะเชื่อก็ให้ปฏิบัติแต่ถ้าว่าไม่ปฏิบัติแล้วยังไม่เชื่ออีกแปลว่าหลับหูหลับตาไม่ลืมไม่ลืมหูลืมตาปิดหูปิดตาตัวเองมันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับตาบอดเหมือนตาบอดมาแต่กําเนิดเขาบอกยังไงเขาไม่ฟังอะอันนั้นเหวนะอันนั้นจะไปแล้วมันตกนะอันนั้นบ่อน้ำนะ อ, อ, อันนั้นอันตรายนะย่าจะไปนะสรพิษนะไม่เชื่อคำออคนตาดีนะผลรัพธ์สุดนั้นนะมันก็เจอของจริงเข้าอจนได้นี้ก็เหมือนกันพวกเราตาดีจริงอยู่หูดีจริงอยู่แต่ปัญญาของเราเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเพราะเราไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาจากท่านผู้รู้เหมือนกับหูหนวกตาบอดในใจของเราอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราต้องลืมหูลืมตาต้องศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างต้องศึกษาทั้งนั้นแวิชาในโลกนี่มไม่ไม่ไม่มีใครจะจะย่ำผู้รู้แจ้งทั้งหมดบัญชงบัญชีกฎมงกฎไม้กระส่งกเกษตรอะไรทุกอย่างต้องศึกษาทุกมัหลักของพุทธศาสนาง่ายขนาดนั้นเหรอไม่ต้องศึกษาก็รู้ได้มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องศึกษานะต้องศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าศึกษาแล้วจะซึ้งในจิตในใจเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าในจุดนี้ และก็พร้อมกันเรื่องงานขององค์หลวงตาของพวกเราขอฝากไว้ครอบอีกให้พวกเราช่วยกันเสียสละอย่าไปถือว่าข้าไปเจ้าเป็น VIP อพีหนึ่งอออย่าไปคิดอย่างนั้นเรามาในงานหลวงตาเราต้องเสียสละอย่างหลวงตาเคยพูดถ้าตัวเองไม่สำคัญถ้าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่สำคัญในตัวเองแนละ้อ จะให้ความสําคัญขี่มาอะไรทัานว่าเนี่ยอันนี้หลวงท่านพูดให้หลวงพ่อนะไม่ใช่ท่านพูดให้คนอื่นฟังอันนี้หลวงพ่อนำมามาพูดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาสรุปได้คือท่านให้ความสําคัญในตัวเองถ้าตัวเองสําคัญแล้วมีศีลมีธรรมแล้วมีมรรคมีผลในจิตในใจแล้วถึงยังไงก็สําคัญวันยังคําเหมือนกับทองคํา เ, เราจะไปหมกขี่ตมขี่เล่นยังไเป็นทองคําอย่างเก่าแต่ถ้าว่าเป็นขี่ม้าแล้วจะไปฮอ กระดาษทองกระดาษเงินแกออกมาก็เป็นขี้หมาอีกอย่างเก่าเนี่ยมันก็จริงอย่างที่องค์หลวงตาพูดเพราะนั้นการมากราบมาไหว้มาสักการะบูชาในองค์หลวงตานะให้ความสําคัญในธรรมะของท่าน เ, เราอย่าไปถือว่าคนนั้นได้หนาคนนี้ได้ตาคนนั้นได้ยศคนนี้ได้หยาพวกเรามองกันออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็จะจะทะเลาะกันจริงคนนั้นได้เปรียบคนนี้เสียเปรียบอย่าไปคิดอย่างนั้นนะพี่น้องประชาชน หลวงพ่อขอเตือนเพราะพวกเราหลายคู่หลายคนมาเป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาเนี่ยหลวงตาท่านสอนให้ใช้ปัญญานีให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ให้ศรัทธาเฉยๆนะท่านไม่ได้สอนให้นับถือหลวงตาด้วยความโง่เง่าเต่าตุนนะท่านสอนให้ใช้ปัญญาหลวงตามีประโยชน์ยังไงมีคุณค่ายัางไงท่านสอนโลกยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะ เ, าเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงตามีคุณค่ามีประโยชน์ ออถอนธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งจริงๆเปิดฟังเวลาไหนในเอ3มพสามของหลวงตาสะดุดใจทุกครั้ง เ, เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ยกพุทธภาสิตที่ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุทธธารัตสังกหโอนากลาจะกรรมมันตามาตาปิตุอุปัฏฐานังมารดาบิดา เ, เป็น ผูมีพระคุณพุทธทาและศสนาขงโหพวกเราท่านสงเคาะ์ อ, อนุเคราะห์บุตรธิดาอนาภูลาเจกรรมันตาเอตมังขรมตตมังเพราะฉะนั้นผอให้พวกเรากราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นบุพการีธรรมะที่แนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วบาป บ, บุญคุณโทษสิ่งควรไม่ควรเพราะนั้นพวกเราขอให้พวกเราแสดงความกตัญญู จะสิ่งไหนจะตอบแทนพระคุณองค์หลวงตาได้หลวงตาชาตินี้เป็นชาติทุดท้ายขององค์หลวงตาแล้วครับหลวงตาจะไม่มาเกิดในแผ่นดินนี้อีกแล้วเพราะนั้นขอฝากไว้กับพระนราญาติโยมนะการทำการทำงานที่มาเกี่ยวข้องกับองค์หลวงทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกทุกท่านที่ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยต้องมีต้องให้มีความอดทนขันติคือความอดทนนะจ้าเป็นในที่ทุกสถานนะ ที่หลวงพ่อเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเคลื่อนเขีื่นหลังลือศรีเพราะบริษัเทของพระเจ้าเป็นลือศรีพระเจ้าแผ่นดินโกรธโมโหให้ลือศีเอาว่าหวาเคีืยนหลังลือศรีก็บอกว่าขันติไม่ได้อยู่ในหลังตีเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงขันติไม่อยู่ในใจตัดหัวอีก ต, ตัดจมูกอีกเนี่ยลือศรีก็กว่า ขันติไม่ได้อยู่ในหูไม่ได้อยู่ในจมูกพระเจ้าเป็นดีโมโหมตัดแข้งองีตัดแขน อ, อีกอลุอสีก็บอกว่าขันติไม่ได้อยู่ในแขนไม่ได้อยู่ในขาแมันอยู่ในใจผลที่สุดพระเจ้าเป็นดีโมโหกระโดดขึ้นไปกระเทือบน้า อ, อกพลรรอสีพลรรุสีก็บอกกระเทือบกระเทืบไปเปข้าไปเจ้ามีขันติเข้าไปเจ้าไม่โกรธให้แก่ท่าน ผลที่สุดพระเจ้าเป็นดินขี้เมาแล้วก็เดินไปหน่อยนึงก็เลยแผนดินสุกสมัยนั้นพระเจ้าเป็นดินคือพระเทวทัตนะเนี่ยอ่าพระเทวทัตสมัยพระพุทธเจ้าใช้ชาติเนะนี่ยนี่แหละขอให้พวกเราถึงจะไม่ทําอย่างพระพุทธเจ้าทุกข์กับเบียดนิ้วก็ให้มีขันติทุกอย่างถึงใครจะดุดาว่ากาวยังไงเรามาเพื่อบูชาพระพุทธองตาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดยวก็ผ่านไปแล้วเราจะไปถือโทษ โ, ทษโกรธเคืองไปทําไม พวกเราถือโทษโกรธเคืองกันไปกลับไปถึงบ้านยังโมโหให้เขาอยู่ผูกพยาบาทอาฆาตเขาอยู่นะมันไม่เป็นผลดีนะถ้ามาทําบุญเขานี่ไปว่าขาดทุนย่อยยับนะลูกหลานนะคณะตัทธาญาติโยมนะถ้าเป็นอย่างนั้นไปนว่าขาดทุนย่อยยับกลับไปถึงบ้านแล้วก็ยังโมโหโกธาผูกพยาบาทอาฆาตกันอยู่เพราะฉะนั้นพวกเรามาเพื่อเสียสละมาเพื่อขันติอะไรก็ได้หยวน ยังไงจะ ง, งานล้มตาจะสําเร็จทุ่ร่วงไปด้วยดีช่วยกันคิดช่วยกันทำํำช่วยกันพูดมันจะสําเร็จทุ่งร่วงไปได้นี่แหละขอฝากไว้กับสัตย า, ญญาติโยมลูกหลานทุกๆท่านการกล่าวธรรมเทศนาหรือกล่าวสมโภชนิยะกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน